Thank <laughs> you. หลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นพื้นเพยท่านเป็นคนเมืองจันทร์ตอนบวชใหม่ๆก็ไม่ได้มีความศรัทธาในการปฏิบัติเท่าไหร่เพราะไม่รู้ต่อหลังก็เกิดศรัทธาในเรื่องการทำกรรมฐาน ก็เลยดันโดนจาริกไปไปหาหลวงปู่มั่นนะก็ไปถึงอีสานเลยนะทันก็เราประสบการณ์ตอนหนึ่งเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นว่าทีแรกท่างก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมหลวงปู่มั่นเวลาสอน ลูกศิษย์นี่ยึงสอรหรือแนะนำไม่เหมือนกันมีลูกศิษย์คนหนึง่งนะเป็นพระนี่แหละป่วยไม่สบายเข้าจะเป็นจะมาลาเรียนะป่วย ไ, ได้ไม่นานก็ขอยาหลวงปู่มั่นก็ต่อว่าว่าอะไรกันจะเอาอะไรเป็นสอเอาจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งหรสารณะ จะเอายาเป็นที่พึ่งหรือจะเอาพระพุทระรามประสงค์เป็นที่พึ่งนะนับถือศาสนายาหรือนับถือศาสนาพูดกันแน่คือหลวงปู่ม่านก็ไม่ยอมให้พระรูปนั้นฉันยาต่อมาก็มีพระอีกรูปหนึ่งนะท่านป่วยเหมือนกันแล้วก็ท่านก็ไม่ยอมฉันยาคล้ายๆว่าพยายามอดทนหลวงปู่ม่านพอทราบท่านก็ตําหนิต่อว่าว่า ยามีททาไมไม่กินนะทาไมเป็นคนเลี้ยงยาแบบนี้รู้ว่าเฟืองซึ่งหลัก็ยังหนุ่มอยู่ท่านก็งงเอ๊ะทำไมหลวงปูมันสอนไม่เหมือนกันไม่คงซี่ไม่คงเส้นคงวาแต่ตอนหลังก็เข้าใจนะมันก็เหมือนกับหมอเนี่ยในเวลารักษาคนไข้เนี่ยคนไข้แต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นจะรักษาข้อนี้ก็ต้องก็ต้องดูที่อาการของคนไข้เป็นหลักแล้วก็ให้ยาไปตามอาการอาการไม่เหมือนกันก็ให้ยาแตกต่างกันหรือแนะนาแตกต่างกันเช่นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยก็ต้องให้ยาบำรุงนะต้องแนะนำว่าให้กินเยอะๆส่วนคนที่อ้วนจนมีโรคมากมาย ทังโลหัวใจเบาหวานเคยยื่งขยับก็อึดอัดนะหมอก็ต้องแนะนําให้นอกจากออกกําลังกายแล้วก็ต้องกินอาหารหน้อยน้อยหน่อยมันก็ไม่ได้แปลกใจนะว่าทําไมคนไข้คนหนึงหมอแนะนําให้กินเยอะๆนะบํารุงมากๆคนไข้คนค น, นึงหมอแนะนําให้กินน้อยๆนะให้ควมอาหาร ครูบาอาจารย์เวลาท่านแนะนําลูกศิษย์ก็เหมือนกันนะท่านก็ดูที่ลูกศิษย์นะว่ามีลักษณะนิสัยอย่างไรลูกศิษย์ที่นิสัยอ่อนแอนะก็ต้องกระตุ้นให้อดทนนะไม่ใช่พึ่งแต่ยาจะรู้สึกบางคนอาจจะค่อนข้างดื้อรั้นนะจะใช้แต่ธรรมโอสถอย่างเดียวบางทีอาการก็แย่ยาก็มี ก็ต้องใช้ยาบ้างคำสอนเนี่ยนะในทางธรรมะเนี่ย mm. ก็เช่นเดียวกับการรักษาโรคนะมันไม่มีสูตรสำเร็จประเภทว่าวิธีเดียวนี่ใช้ครอบจั ก, กรวาลหรือว่าใช้กับทุกคนมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคนด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ท่านพระองค์ก็เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้นะส่วนใหญ่ท่านก็จะกระตุ้นเราให้พระเนี่ยทความเพียร บำเพ็ญชากริยานุโยกนะก็คือไม่หลับไม่นอนนะให้ทำความเพียรให้มีความตื่นก็กระตุ้นเรานะแต่ก็ บ, บางรูปนี่ท่านก็กลับพูดให้คลายความเพียรลงเพราะอะไรเพราะทำความเพียรมากไปนะจ น, จนจิตทุงซ่านนะอย่างพระสนั ก, กรลิวิสาเนี่ยเป็นคนที่ทำความเพียรหนักมากไม่ยอมพักเลยแล้วก็ชอบทำความเพียรในเรืยบทเดียวคือเดินจงกรม เท้าท่านก็แตกเพราะว่าเป็นคนผิวบางเป็นพวกสุขมสุขุมรชาตนะิทางจงกรมนี่ก็มีเลือดนะไหลเป็นเป็นแนวเป็นทางนอกจากท ร, รมานนอกจากปวดเท้าปวดกายแล้วยังใจก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะว่าท้อกับการปฏิบัติทำไมทำความเพียรขนาดนี้ถึงไม่บรรลุนะถึงไม่เห็นธรรมก็เพราะทำความเพียรมากไปนะสินะ ทำความเปลี่ยนมากไปนะพระองค์ก็เปรียบเทียบให้พระสนานเนี่ยซึ่งเป็นนักดนตรีดีดพินนะนะก็บูธตัวพินสามสายเนี่ยถ้าขึงตึงไปก็ดีดไม่เพาะอาจจะขาดพึงก็ได้แตนะถ้าอีกสายหนึ่งถ้าหย่อนไปก็ดีดไม่เพาะเหมือนกันนะต้องดีดพอดีพอดีถึงจะเวลาต้องขึงพอดีพอดีเวลาดีถึงจะเพาะเนี่ย อันที่เ็าพูดเป็นอุปมาเพื่อให้พระสนานิท่านคลายความเพียรลงสักหน่อยเพราะว่าเพียรมากไปก็ฟุง้งซ่านถ้าเพียร น, น้อยก็ง่วงเหงาหานอนนะมันก็ไม่น่าแปลกใจนะเออกับบางท่านพระพุทธเจ้านะขนาดและขณะอ ย, ยนนะะนะนู่ให้ทำความเพียรแต่บางท่านนู้พุทธเจ้าก็แนะนำให้ให้ให้ทำความเพียรให้น้อยลงไปหน่อยนะคือทำความเพียรพอดี มันมีเรื่องราวนะของพระพุทธองค์ที่พยายามกระตุ้นให้พระเนี่ยเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติตามพระวินัยมีสิกขาบทแล้วก็ต้องอย่าไปปาละเลยนะแต่ว่าก็มีบางรูปเนี่ยทารสึกท้อแท้มากกับการบวชเพราะว่ามีสิกขาบทหรือข้อวินัยเยอะเหลือเกิน อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างน้นก็ไม่ได้ฉันก็เลยมาทูลลาผู้เจ้าขอสึกนะผู้เจ้าแทนที่จะตำหนินะว่าเป็นคนที่ไม่อดทนเป็นคนที่ไม่สู้เป็นคนที่ไม่ขวนขวายร่วงกับชักชวนนะให้อยู่ต่อโดยการถามว่าเนี่ยถ้าให้ปฏิบัติข้อเดียวเนี่ยจะได้ไหมคือถ้าร้อยห้าสิข้อเนี่ยเยอะไป หรือว่าสองร้อี่ข้อนี้เยอะไปสมาธิก็ไม่รู้นะว่า ม, ม, มีกี่ข้อแต่คงจะเยอะนะเป็นร้อยอาจารย์ที่พรองจะเข้มงดวดขันในพระรูปนี้เนี่ยเข่งขันในการเอะพฤติตามสี่ขาบทก็บอกว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติข้อเดียวยจะไหวไหมท่านก็บอกได้นะถ้าข้อเดียวปุจจเจ้าก็เลยแนะเนี่ยให้รักษาใจให้เป็นปกติเอาไว้เอาข้อเดียวพอ จะทำอะไรก็ให้รักษาใจเป็นปกติเราก็ว่ากลับเป็นวิธีการที่ถูกกับจะเรียกว่าถูกกับจริตของท่านก็ได้ในทนี่สุดท่านก็บรรลุธรรมเป็นพ่อรหรัในเวลาเราอ่านเรื่องราวแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าไปสงสัยนะไอ้ทำไมผู้เจ้าสอนไม่เหมือนกันในบางที่กระตุ้นนะกระนาบให้พระนี่ทำความเพียรหรือว่าเคร่งครัดในพระวินัย ในในบางที่ก็สอนให้อย่าทำความเพี้ยนมากไปหรือว่าแน่ให้ปฏิบัติเพียงข้อเดียวถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจนะว่าทำไมพระเจ้าแนะนำอย่างนั้นแต่ถ้าเราศึกษาหรือปฏิบัติโดยไม่ใช้ปัญญามันก็จะมีข้อสงสัยแบบ น, นี้แหละหรือมิฉนั้นเนี่ยเนื่องจากรู้รู้นิดรู้หน่อย ก็จะเอาข้อคำแนะนำนี้ไปใช้แบบครอบจั ก, กรวาล น, นะหรือว่าไปใช้ทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นโดยที่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองก็ดีคนอื่นก็ดีอาจจะมีทิ่สายบุ ค, คลิกปัญหาแตกต่างกันก็ได้นะในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่ว่า ทำไปแบบซึ่งๆ่งทำตามตามกันไปถ้าทำตามถ้าติดที่รูปแบบเนี่ยมันก็จะลงเอ่ยว่าทำต า, ตามตางกันไปนะสุดท้ายก็ได้แต่กระพี้นะมันไม่ได้แก่นไม่ได้สารละแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยอวุตจาร์เนี่ยนะก็เช่นเดีวยวกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เวลาจะสอนอะไรจะแนะนำท่านก็จะดูคนนะคนบางคนท่านก็สอนเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้ง เช่นปันจจวัคคีนี่ก็สอนเรื่องอนัตตาพอบรรยาจบนะปัจจวัคคีก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่บางท่านก็เป็นชาวบ้านนะท่านก็สอนในเรื่องการทําความดีนะให้รู้จักพึ่งตนให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีต่อพ่อแม่ผู้เรื่องจริยธรรมนะผู้เรื่องตัวตนนี่แหละนะแต่เป็นตัวตนส่วนที่ดีก็คือว่า ให้ฝึกจนเป็นคนดีให้รู้จักพึ่งตนให้รู้จักกลัวบาปบุญคุณโทษนะแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยท่านก็สอนให้เลยพ้นเรื่องบาปบุญคุณโทษนะให้เข้าใจนะถึงความจริงที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมันได้คนที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยถ้าไปได้ยินได้ฟังเรื่องอนัตตามันก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิได้ อย่างเช่นมีบางคนเนี่ยทีแรกก็ให้ทานรักษาศีลดีนะแต่พอที่ได้ฟังเรื่องอนัตตาบอกไม่มีตัวตนก็เลยเลิกให้ทานเลิกรักษาศีลเพราะว่าคิดว่าเมื่อไม่มีตัวตนแล้วใครจะเป็นผู้รับผลของการทําความดีนั้นใครจะเป็นผู้รับผลของการทําบุญนั้นมันไม่มีไม่มีก็แล้วทำไปทําไมอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะ เพราะว่าถึงแม้ไม่มีตัวกูเป็นผู้รับผลนะแต่ว่าไม่ว่าทาอะไรไปเนี่ยบวกหรือลบบุญหรือบาปเนี่ยมันก็ต้องมีกายและใจเนี่ยรับผลกายและใจนี่แหละนะมันเป็นสิ่งที่จะต้องรับผลเช่นกินอาหารที่เป็นอันตรายหรือกินอาหารด้วยความไม่มีสตินะกินมูมามร่างกายก็รับผลของการกินแบบนั้น คือจะป่วยหรือเจอาหายเป็นพิษหรือไม่ก็อาหารติดคอตายร่างกายมันรับผลอยู่แล้วแต่ร่างกายนั้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ว่าพอไม่มีตัวกูเป็นผู้รับผลเราก็เลยจะกินอะไรก็ได้ไม่มีกูเป็นผู้รับผลมันมีนะมีกายและใจเนี่ยอย่างแต่ลผลของพฤติกรรมที่ทำนะไม่ว่าบวกหรือลบบุญหรือบาปไม่ว่ า, าพูด ไม่คิดพูดหรือทำแต่เรื่องแบบนี้ก็จะอธิบายยากเนีเพราะนั้นเนี่ยกับบางคนผู้เจ้าก็ไม่ไม่พูดเรื่องอนัตตาเรื่องปรมา ธ, ธรรมก็สอนเรื่องบาบุญคุณโทษเรื่องจริยธรรมบางทีก็สอนให้เห็นธรรมะไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้กําลังมีความทุกข์อย่างเช่นนางกีสาคตามีเนี่ยกำลังเสียลูกอุ้มศพลูกมาจากเจ้าผู้เจ้า ปลกลูกให้ฟื้นขึ้นมาพระองค์เห็นก็รู้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยแสดงทำยังไงก็ไม่ได้ผลจะสอนให้เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เข้าใจว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงนะคนเราต้องพัดพาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเนี่ยพูดไปก็ใจไม่รับเหมือนกับน้าล้นแก้วเหมือนกับชาล้นแก้วเพราะอารมณ์ความเศร้าโศกเสียใจมันท่วมทน้นจิตใจแล้ว ผู้จ้าก็เลยแน่ว่าให้ไปหาไม่ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายตรงนั้นแหละที่นางก็เริ่มจากเห็นธรรมชาติความจริงว่าความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมผู้จ้าไม่สอนธรรมะให้กับนางกีสาวกตมีนะเพราะว่าเธอยังยอมรับไม่ได้แต่นักปฏิบัติธรรมผู้ฝ่ายธรรมหลายคนนี่ไม่เข้าใจนะเวลาไปเยี่ยมคนป่วยคนใกล้ตาย ก็ไม่ได้ดูนะว่าคนป่วยเขาเป็นใครเขารู้ธรรมากแค่ไหนก็ททำใจได้ไหมพอเห็นเนี่ยก็ใส่ใส่เข้าไปเลยใส่เรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะใส่เรื่องความไม่เถีงชีวิตคือไม่ทันดูเลยนะว่าผู้รับนี่เขาพร้อมจะได้พร้อมจะฟังพร้อมจะได้ยินหรือเปล่าต้องดูผู้รับก่อนนะต้องดูคนไข้ก่อนว่าเขาเป็นอย่างไรนะจะรู้ได้ก็ต้องรู้จักฟังก่กอน พูดคุยกับเขาฟังเขาว่าเขามีความคิดอย่างไรเขามีความรู้สึกอย่างไรไม่ใช่ไม่ฟังเลยนะเเจอก็ใส่เลยนะแบบนี้มีเยอะนะเพราะว่าอาจจะร้อนวิชาก็ได้หรือเพราะคิดว่ามันต้องใช้ธรรมะข้อนี้แหละเพราะเป็นธรรมะที่อใช้ได้กับใครต่อใครคือเอาธรรมะมาใช้แบบครอบจั ก, กรวาลก็ไม่ถูกนะ จะต้องเข้าใจคนที่เรากําลังจะพูดด้วยเข้าใจคนที่กําลังจะรับข่าวสารจากเราจะเข้าใจได้ก็ต้องฟังเขาก่อนนะคุยกับเขาก่อนแล้วก็พยายามพูดในสิ่งที่เขารับได้อย่าให้มันเกินเกินกําลังของเขาขณะพูดจา้านี่ก็ยังไม่พูดเรื่องไตลักณกับนางกีสาวกตมีเลยนะทั้งที่พระองค์เนี่ยสามารถจะพูดให้คนเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ แต่พงก็รู้ว่าธรรมะยาอยๆแบบนั้นหรือแม้แต่ธรรมะเรื่องพื้นๆเรื่องใตรักเนี่ยหรือเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจงเนี่ยมันจะมาใช้กับนางกี่สาโคตรมีไม่ได้เพราะว่าใจยังไม่เปิดครับบางท่านเนี่ยนะก็ไม่ค่อยมีความฉลาดเฉลียวในเรื่องธรรมะเท่าไหร่เวลาจะสอนธรรมะยาอยๆพรงก็ไม่ทํำนะอย่างเช่น พระจุลปันถกนะพระจุลปันถกเนี่ยได้เชื่อเป็นพระที่ความจําแย่มากพี่ชายซึ่งเป็นพระรหันให้ท่องสโลกหรือคาถาเนี่ยแค่ไม่กี่บรรทัดนทั้งพรรษายังท่องไม่ได้เลยก็ยเลยไล่ให้ไปศึกพระจุลปันถกก็เสียใจก็มาทูลลาผู้เจ้าว่าจะขอศึกนะผู้เจ้าก็ห้ามเอาไว้แล้วก็แนะนําว่าให้ ให้ทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็คือว่าให้เอาผ้าขาวนี่แหละผ้าขาวก็เป็นผ้าผ้าคล้ายๆเป็นผ้าเช็ดหน้านี่นะแต่สมัยก่อนไม่มีผ้าเช็ดหน้าหรอกนะเอาผ้าขาวมาแล้วก็ถูรูปคลําแล้วก็ท่องไปด้วยละโชหารานางังละโชหารันังแปลว่า้าเปื้อนฝุน่พนพงเทียนที่จะแนะนาให้เจริญสติปัฏฐานสี่นะให้ให้รู้จักเอ่อบริให้รู้จักภาวนา นะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาพระองค์ไม่พูดถึงเลยนะเอาง่ายๆนี่แหละนะเอารูปผ้าเนี่ยคลําผ้าแล้วก็บริกรรมไปด้วยนะพระโชหรณังพระโชหระนังวัจุลบันถูปถึงแม้จะเป็นคนโง่นะแต่ว่าเป็นคนที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าแนะนําแล้วก็ทําตามถึงแม้ว่าความจําจะไม่ดีนะแต่เรื่องความเพียรก็มีอยู่ พัลู่ไปเรื่อยๆลู่ไปรูปไปก็เห็นว่าผ้าที่มันขาวเริ่มดําเริ่มคล้ําคล้ําพะเหงื่อถ้าเนื่ยก็ย้อนเข้ามาโยงเข้ามาสู่ใจของตัวใจเราเนี่ยนะพอมันโดนกิเลสครอบงํานะมันก็หมองคล้ํำนี่แหละแล้วถ้าจะเห็นต่อไปว่ามืนไม่จีหลังยั่งยืนเลยนะเมื่อกี้ยังขาวอยู่เลยตอนนี้มันคล้ำซะแล้วนั่นถ้าก็เกิดปัญญาขึ้นมา ช่วงนั้นเนี่ยท่านมีสมาธิพอดีนะจากการที่บริกรรมแล้วก็ทำซ้ำๆเนี่ยเกิดสมาธิแค่เห็นความจริงพื้นๆ น, น, นะไอปัญญานั้นก็สามารถจะแตกออกมาเกิดความเข้าใจในเรื่องไตรักษได้เข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องอนัตตาเห็นโทษภัยของกิเลสที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระเจาก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ได้ใช้วิธีการที่เราเป็นมาตรฐานก็คือ อน า, นาปานาสติบ้างสติปฐานสี่บ้างหรือว่าท่องเขาเข้าใจเรื่องขันธ์ท่าว่าเป็นอนัตตาดนั้นเรื่อง ต, ตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยเพื่อชี้เห็นว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้ปัญญาแต่ก็ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งอะไรนะก็แค่เข้าใจาจุดมุ่งหมายของคําสอนนี่คืออะไรนะ แล้วก็เอามาใช้นะบางทีครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็มีเจตนานนะที่จะใช้ธรรมะหรือว่าสอนเนี่ยเพื่อทําให้เกิดความปั่นปวดในใจก็ได้หรือว่าทําอะไรที่ไม่ถูกใจอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านมีเรื่องราวสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยนะสมเด็จพระพุทธจารย์โตหรือหลวงพ่อโตเนี่ยท่านได้รับมิวนให้ไปเทศให้กับรัชกาลที่สี่ฟังเป็นประจํา อีกครานึงขณะที่พรอะองค์สูงพ่ะโตนะใกล้จะเทศเนี่ยกําลังเทศอยู่และการที่สี่ท่านก็มีความกังวลคือเจ้าจอมท่านหนึ่งกาลังจะคลอดก็อยากจะไปอยากจะไปฟังผลก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อโตเนี่ยท่านเท ศ, ท เ, ทศทเทศน้อยๆหน่อ ย, อยหลวงพ่อโตท่านก็รู้นะท่านก็เลยทเทศยาวเลยและเต็มแม็กเลยเป็นชั่วโมงเนี่ย แลการที่สี่ก็อึดอัดมากเลยนะอยากจะไปก็ไปไม่ได้ก็ต้อง น, น, นั่งทนฟังจนจบเป็นชั่วโมงแต่มีบางวันนะท่านอารมณ์ดีอยากจะฟังธรรมะหลวงพ่อโตก็รู้นะว่าตอนนี้รายการที่สี่อารมณ์ดีอยากจะฟังธรรมะท่านก็แกงพูดสั้นๆนะว่าทำที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเทศนานี่ สมเด็จพระมหาสมภารนะะบรมบอพิสมภารเจ้าก็รู้เรื่องรู้ทุกอย่างหมดแล้วก็ขอวิสัชนาเพียงเท่านี้แล้วก็ลงจากธรรมะเลยและการที่สีนะ่ทนขัดเคืองใจมากนะอยากจะฟังธรรมะนะยาวๆสักหน่อยนีงคราวนี้กลับพูดนิดเดียวอันนี้ก็เป็นอุบายของของหลวงพ่อโตนะที่ท่านอยากจะทําอะไรที่เรียกว่าขัดใจรายการที่สี่ นะเพื่ออะไรนะเพื่อจะได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่จะถูกใจเลยไปทั้งไปทั้งหมดนะเวลาอยากจะให้หลวงพ่อโตเทศสั้นๆ น, นะก็เจอเทศยาวเวลาอยากจะฟังเทศยาวๆก็เจอเทศสั้นอานนี้ก็เป็นสัจธรรมความจริงนะที่ไม่ต้องไม่ต้องพูดว่าเราทั้งหลายต้องประสบนะกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจพูดอย่างนี้ไปมันก็ คนก็ จ, จะไม่เก็ตอะไรเท่าไหร่นะต้องทำให้ดูเลยให้ประสบได้ตัวเองก็คือทำในสิ่งที่ขัดใจทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจเพื่ออะไรนะก็เพื่อได้เห็นความจริงเนะี่ยและเพื่อได้ปรับใจของตัวให้ถูกด้วยเออเมื่อเมื่อมันมีสิ่งที่ไม่ขัดไม่ถูกใจเราจะทำใจของเราอย่างไรให้เป็นปกติได้เหมือนกับดินซ่าอากาศเดี๋ยวมันก็แดดร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวยุงก็เยอะ เดี๋ s s Tim, ็กก็ม่ลมพัดเย็นสบายเราจะไปคาดหวังไว้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามใจเราไม่ได้การนี้เมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเออทำยังไงเราจะปรับใจงเราให้ถูกนะสําคัญมากนะพอเจอแล้วไม่ถูกใจเราเนี่ยก็จะไปคาดหวังเรียกร้องให้ทุกอย่างเนี่ยมันมาถูกใจเราไม่ได้สิ่งที่เรสิ่งที่เราควรทาคือปรับใจเราให้ถูกนะเมื่อเราปรับใจให้ถูกมันก็ไม่มีสิ่งที่จะมาขัดใจเราอีกต่อไป มันมีแต่ความสึ่ที่เป็นกลางอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ไว้นะเรื่องธรรมะมันจะมีหลายหลายอย่างนะที่เราได้ยนได้ฟังแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจทำไมเป็นอย่างนั้นนะให้ลองใช้ปัญญาสักหน่อยเพื่อเข้าใจแล้วก็เพื่อมาใช้กับตัวเองยังนะมีเรื่องเล่าว่ามีอาจารย์มีชายสองคนไปปฏิบัติธรรมในวัดแห่งหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็ ปฏิบัติธรรมก็เบื่อนะเดินจง ก, กรมสร้างจังหวะอยากจะหาอะไรมากินให้มันเพลินเพลินสักหน่อยก็ไปถามหลวงพ่อว่าเจริญสติไปด้วยกินขนมไปด้วยได้ไหมหลวงพ่อตอบว่าไม่ได้เวลาเจริญสติก็ให้ทาทีละอย่างเจริญสติก็ทาเจริญสติไปไม่ใช่ไป ห, หาอะไรมากินแลวก็ผิดหวังกลับไปคนที่สองนี้ก็มาหาหลวงพ่อบอกว่าเนี่ย ถ้ากินขนมไปด้วยเจริญสติไปด้วยได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าได้คนที่สองพอไปเล่าให้คนที่หนึ่งฟังก็นงงนะทําไมหลวงพ่อพูดไม่เหมือนกันนะทําไมทีชั้นนี้ไม่ได้ทีอีกคนนี้ได้หลวงพ่อนี้ไม่คงเส้นคงวาหรือเปล่าหรือว่าเอาแนวนอนไม่ได้จริงๆถ้ามีเหตุผลนะก็คือว่าเวลาจะดูแจะเจริญสติเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยมันไม่ควรจะกินอะไร หรือไม่แต่จะฟังทำก็ไม่ควรด้วยก็ให้มีสติโยกกับกายไปรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกส่วนการฟังนี่ก็ให้ฟังแค่ผ่านๆไม่ใช่เจริญสติไปก็ฟังคำบรรยายไปด้วยทำสองอย่างพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยสักอย่างหรือว่าการเจริญสติก็ไม่ชัดเจนว่าจะเอาอะไรแต่ว่าถ้าเรากินอาหารเรากินอาหารเราก็เจริญสติไปด้วยคือว่าขาที่เรากินเราใจเราก็ไม่ไม่ลอยไม่ฟุง้ง รับรู้รสชาของการกินไม่เพลินไปกับรสชาติอาหารอันนี้ทําได้ทานองเดียวกันนะเวลาเจริญสตวเวลากินขนมนะกินลอดช่องหรือกินอะไรก็ตามเจริญสติไปด้วยได้นะก็คือว่าเวลาเพลินไปกับรสชาติอาหารก็รู้หรือว่าเวลาใจลอยคิดโน้คนคิดนี่ก็รู้นะให้กับประโยชการกินเพราะนั้นก็มีเหตุผลนะว่าที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเจริญสติไปด้วยกินไปด้วยเนี่ยไม่ได้ นะแต่ถ้ากินขนมไปด้วยเจริญสติไปด้วยนี่ได้นะแล้วคนที่ไม่ใช่ปัญญาก็จะ <c oughs> ก็จะขัดเ <c oughs> คืองใจว่าหลวงพ่อท่านเอาแนวนอนไม่ได้นะพูดไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าใช้ปัญญาก็จะรู้ว่าเออมันใช่มีเหตุมีผลเพราะว่าฉะนั้นเวลาเราเจริญสติเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็ให้ใช้ปัญญาสักหน่อยนะให้ใช้ปัญญาว่าการปฏิบัติของเราทำ ม, มาที่เรานา ม, มาใช้เนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรและมันเหมาะกับ มันเหมาะกับตัวเราในขณะนั้นๆหรือเปล่านะต่อฟุ้งไปกลางฟุ้งซ่านหรือเรากาํกลาลังกําลังเบื่อหน่ายเรากำลัลงง่วงอาหอนอนไอธรรมะที่ใช้ในยามฟุ้งซ่านก็อย่างหนึง่งธรรมะที่ใช้ในยามที่อ่าง่วงอาหานอนก็อย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าจะใช้ธรรมะข้อเดียวกับทุกเรื่องแต่พุทธภูมิหรือเวลาเจริญสตินะนะไอการสร้างจาวะก็ เป็นวิธีหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ว่าไปติดที่รูปแบบจะไปไหนก็เจริญสติด้วยการสร้างจังหวะอย่างเดียวนะอยู่บนรถเมย์ก็สร้างจังหวะนะหรือว่าคอยเพื่อนนั่งอยู่เก้าอี้ก็สร้างจังหวะให้รู้จักยักเยื่อบ้างนะเปลี่ยนมาเป็นครึงนิ้วก็ได้มากระดิกนิ้วก็ได้อย่าทำอะไรแบบเรียกว่าตาเทนสองบาทนะหรือว่าทาอะไรแบบเสื่องงติดที่รูปแบบแล้วก็ภูมิจะว่าฉันปฏิบัติทำ แต่ที่จริงอาจจะปฏิบัติไม่ถูกก็ได้นะเพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติหรือธรรมะที่นำมาใช้รวมทั้งไม่เข้าใจกรณีที่เกิดขึ้นหรือปัญหาของตัวเอาคัานโยกคนท่านี้นะกลาบฮ่